บรรยายธรรมวิภาคนักธรรมชั้นตรีม้วนที่สิบโดยพระมหาภพยร้อทิตาสีโลท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายต่อไปนี้จะได้บรรยายธรรมในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีในหัวข้อเรื่องว่าอกุศลละโมูลและกุศลละโมูลควบคู่กันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหมายของคําว่าอกุศลละโมูลนั้น ก็คือรากเง่าของความชั่วแปลว่ารากเง่าของความชั่วส่วนกุศลละโมก็คือรากเง่าของความดีฉะนั้นธรรมะในสองบทนี้ซึ่งเป็นธรรมะที่จะต้องพูดคู่กันไปเพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าใจง่ายดียิ่งขึ้นทีนี้จะขึ้นต้นในหัวข้อว่าอากุศลละโมเสียก่อนคาว่าอากุศลละโมนนั้นแบ่งออกเป็นสามอย่าง คือหนึ่งโลภะความอยากได้สองโทสะความคิดประทุษร้ายผู้อื่นสามโมหะความหลงไม่รู้จริงที่ว่าโลภะความอยากได้อันนี้หมายถึงว่าอยากได้ในทางทุจริตอยากได้ในทางที่ทุจริตโทสะความคิดประทุษร้ายอันนี้ก็หมายถึงว่าที่เห็นได้ชัดก็คือว่า คิดประทุษรายผู้อื่นอันผิดจากกำนองครองทำโมหะความหลงในความหลงในที่นี้ก็หมายถึงว่าหลงไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วก็คือหลงเกี่ยวกับเรื่องอบายมุกฉะนั้นในกิเลสสามตระกูลนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เบียดเบียนให้เราเกิดความเสียหายหรือถือเรียกว่าเป็นโรคจิตที่ทำให้เรานี้ต้องเดือดร้อนกับวนกะวา ย, ยากเก่กับที่เราจะรักษา ให้หายได้ฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับว่าเรื่องโลภะเรื่องโทสะโมหะให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็จะทําให้เรานั้นดํารงชีวิตอยู่ในสังคมนี้อย่างอร่มเย็ยนเป็นสุขหรือว่าอย่างมีความสงบได้ฉะนั้นก็จะได้ขยายความให้กว้างขวางออกไปอีกนะคำว่าโลภะมีศัพท์ที่ เรียใช้แทนอยู่หลายคำนะที่อยู่ในความหมายของคาว่าโลภ ะ, ะเช่นคาว่ารติความชอบใจอิจฉาความอยากได้มหิฉาความอยากใหญ่ตาปิจฉาความอยากได้โดยวิธีเลวสามอภิชาความเพ่งเร็งทุจริตด้วยความอยากได้ในทางที่ไม่ดีไม่งามหรืออีกอย่างหนึ่งว่าอภิชาวิสมะโลภะ ความอยากได้ที่มันลุ่มลุ่มดอนดอนไม่สม่ำไม่เสมอด้วยอำนาจแห่งความเพ่งเ็งในวัตถุ ข, ของบุคคลอื่นอันนี้แหละถือว่าเป็นเป็นความหมายของคําว่าโลภะที่ได้ขยายออกไปว่ามีหลายศัพท์นบมีอยู่หลายศัพทบฉะนั้นคําว่าโลภะที่ว่าความอยากได้ในทางทุจริตนั้นโปรดทราบไว้ว่าความอยากได้ธรรมดาเช่นว่าอยากได้เงินโดยวิธีทำมาค้าขายอในทางสุจริต อยากได้ข้าวโดยวิธีทํานาอย่างนี้ก็ถือว่าไม่จัดเป็นโลภะอนะที่เป็นโลภะนั้นก็จำเพาะอยากได้โดยวิธีทุจริตเท่านั้นคือโดยประเภทที่เรียกว่าโกงเขาเอาล้นตูช่อโกองฉกชิงวิ่งราวอะไรในทํานองนี้นะนะเพราะว่าคนเราทุกคนนั้นเอเกิดมาจะต้องมีความโลภนะแต่ว่าความโลภนี้ถ้ามันเกินพอดีมันก็เป็นเหตุให้เรานั้นต้องทําความชั่วได้ อ่เป็นเหตุให้เราต้องรักพับได้อ่าทำให้เราเป็นคนรู้มากเข็นแก่ตัวนะี่ปลูบ้าป้นตูชอบโกงค้าของเถื่อนคอรับชั่นอะไรเหล่านี้ฉะนั้นเราจะต้องแก้จิตใจของเราที่มีความโลภนี้ด้วยการเสียสละคือการให้ทานหรือด้วยสันโดษนะด้วยสันโดษยินดีตามที่ตนมีตนได้หรือว่ามีฮิริอยู่ในใจมีความลอายอยู่ในใจ อะละอายต่อการกระทําความชั่วทั้งในที่รับในที่แจ้งอมีสำ ม, มาชีพนะประกอบสำ ม, มาชีพก็คือว่ามีชีพในทางที่ชอบไม่โกหกหลอกลวงเข้าหากินเพราะการที่เราโกหกหลอกลวงเข้าหากินนั้นถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นเป็นการเห็นแก่ตัวอ่าเป็นการทําให้ตัวเองและสังคมเดือดร้อนนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายความโลกนี้พระพุทธองค์จะไม่กลับเลยว่า โลพอธรรมานังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายคือคนเราพอมีความโลภอยู่ในใจแล้วก็ลืมนึกถึงคุณงามความดีเนะลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่างนุ่งแต่ว่าให้ตนนด้ในสิ่งที่ตนตาธนาเท่านั้นฉะนั้นเมื่อตอนตาธนาอย่างไรก็ทำตามอาเภอใจอันนี้แหละย่อมจะนามาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนความกระวนกระวายนะ พระพุทธองค์ยังได้กัดวไว้อีกว่าอติโลภโิปาปโกวความโลภเป็นบาปแท้นะเป็นบาปอย่างมหาหันให้สังเกตดูคนเรานี่เมื่อสองสามวันหนังสือพินก็ได้ลงเกี่ยวกับเรื่องคนงัดแง ะ, ะรักขโมยนาฬิกาต้องเป็นมืนม่นแส น, แสนเรือนหรือว่ามีการปล้นกันตามหน้าธนาคารอะไรในทำนองนี้ก็เนื่องมาจากตัวโลภะนั่นเองฉะนั้น คนเราเมื่อถูกความโลภครอบงำมากมากก็ทักว่าปิดคุณจะทำความดีทั้งหมดนะมันเป็นบาปมันมีทุกข์มีแต่โทษอย่างมหาห์และพระพุทธองค์ยังได้กล่าวไว้อีกว่าอิจฉาโลกาสมิทุจขหาความอยากละได้ยากในโลกนะพอมันอยากแล้วเราก็เราก็ทําตามตามอําอนาจของความอยากนะเราคิดว่าเมื่อเราได้ตามสิ่งที่เราประหนาแล้วมันคงจะหยุดคงจะพอเปล่า มันกลับยิ่งได้ตาถนามากยิ่งขึ้นนี่ตาถนามากยิ่งขึ้นแทนที่มันจะรู้จักพอว่าได้มาแล้วกว็พอแล้วอ่ากลับอยากได้อยากได้เพิ่มขึ้นอีกอ่ฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าความอยากนั้นละได้ยากในโลก อ, อิชฉานรังปริกรสติความอยากย่อมหมุมนนรชนหรือว่าย่อมเสือกใสนรชนอ่าให้เป็นไปต่างๆนาน า, นาในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอ่า ตกอยู่ในอำนาจอของกิเลสตัณหาต้องหมุนไปทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าตกเป็นทาตของกิเลสตัณหาคือความโลภฉะนั้นตัวเองก็ต้องดิ้นรนต้องแสวงหาในทางที่ไม่ดีไม่งามไม่ได้ด้วยสุจริตก็เอาโดยทุจริตอืนะเรียกว่าไม่ได้ด้วยเลขก็เอาโดยมนไม่ได้ด้วยคนก็เอาโดยกระฐานโดยวิธีการต่างๆอันนี้แหละเนื่องมาจากความโลภทั้งนั้นนะหรื อ, อยังอบารีที่บอกว่าอิฉาหิ อนันตะโคจราความอยากมีอารมณ์หาที่สุดมีได้นี่เราคนเราถ้ามีความโลภแล้วก็มันปราถนาอยู่เลยนะปราถนาอยู่เลยไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้จักพอเนี่ฉะนั้นเราก็จะต้องแก้ด้วยด้วยความเป็นผู้รู้จักพอเนีรู้จักพอไอความเป็นผู้รู้จักพอนี่แหละคือตัวสัญลดษนั่นเองนะก็คือว่ายินดีตามที่ตนมีตนได้ ต้นมีต้นได้ก็คือเป็นคนหัดเป็นคนมักน้อยหัดเป็นคนเสียสละคนมักน้อยเนี่ยท่านผู้ฟังทั้งหลายดีนะดีมากมักน้อยก็เช่นอย่างเรียกว่ากินน้อยเที่ยวเตยน้อยนอนน้อยคนที่สูบบุหรีก็ลดมาสู่แต่น้อยคนที่ดื่มเล่าก็สูเดื่มแต่น้อยฝากอมสินทีละน้อยนี่ก็สามารถที่จะทำให้รวยได้เก็บเล็กผสมน้อย เหมือนยังคํากรรของสุนทรภู่ได้เขียนไว้ว่ามีสลึงพึงมันจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์เมื่อมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปเพื่อซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งขา้าวให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งค้าวหวานนี่อันนี้นักปราชญ์รุ่นเก่าๆท่านก็ได้มีความฉลาดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านจึงไม่บอกไว้ว่าคนเรานั้น จะร่ำรวยได้นั้นจะต้องเก็บเล็กผสมน้อยนะฉะนั้นคนเราเหมือนกันถ้ารู้จักพอรู้จักเสียสละบ้างก็เท่ากับว่าเรานั้นได้เสริมสร้างยกระดับจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นอนะแล้วก็ด้วยการทำทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นด้วยการเป็นคนรู้จักพอไอนะ้ความเป็นคนรู้จักพอก็คือออย่างที่บอกไว้เมื่อกี้เนะี่ยคือตัวสันโดษนะสันโดษนี่เขายังแยกออกไปอีกก็เช่นว่า ยินดีตามมีนะยินดีตามมีอันนี้ก็หมายความว่าตนมีอย่างไรก็ให้พอใจอย่างนั้นนะพอใจอย่างนั้นเรามีพ่อมีแม่ก็ต้องรักพ่อรักแม่เมื่อเรามีพ่อมีแม่ไม่รักพ่อรักแม่แล้วไปรักพ่อแม่คนอื่นอันนี้มันก็ผิดเป้าหมายนะผิดเป้าหมายเรามีลูกเรามีเมียเราก็ต้องรักลูกเมียของเราถ้าเราไปรักลูกเมียคนอื่นอย่างนี้มันก็ไม่สันโดษนะมันก็กลายเป็นความโลภไปอีกนั่นแหละนะความโลภไป เป็นตัวราคะไปอันนี้ไม่ดีฉะนั้นเราจะต้องยินดีเท่าที่เรามีอยู่หรือว่าเรียกว่ารักงานตามหน้าที่ของตนรักประเทศชาติของตนตนมีประเทศชาติอยู่แล้วแต่ว่าไม่รักประเทศชาติของตนกลับไปรักประเทศชาติคนอื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นบ่อนทาลายเป็นไส้ศึกดูแล้วก็ถือว่าเป็นพิษเป็นภยัยต่อประเทศชาติไม่เหมาะไม่ควรฉะนั้น อันนี้แหละเรียกว่ายินดีตามมีและการที่สองก็คือให้ยินดีตามได้ก็คือยินดีในกับส่วนที่เราได้เช่นว่าเราอยากได้เงินสักพันบาทแต่ว่าเราได้มาแค่สามร้อยบาทเราก็ต้องพอใจแต่ว่าเราทุกคนโดยมากก็คือว่าไม่พอใจกับส่วนที่เราได้ ท, ท, ทั้งๆที่ใ้ส่วนที่เราได้นั้นมันก็พอเหมาะพอครวรแล้วแต่ว่าเรานั้นไม่พอใจ บางครั้งถึงกบมาตี อ, อกชกใจมาเดือดร้อนใจมาถึงกับการทะเละวิวาทกันก็มีนะเพราะไม่พอใจในส่วนที่ตนได้ที่จริงเราควรจะพิจารณาว่าก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ได้เลยนะหรือว่ายังดีกว่าถ้าเราไม่ได้นะเราได้แค่นั้นเราก็ควรจะพอใจนี่ดังนั้นอันนี้แหละเรียกว่าถ้าเรารู้จักเออพอรู้จักยินดีตามมีตามได้แล้วก็จะทาให้เรานั้น เป็นคนดีเนี่ยเป็นคนดีแล้วการที่สามก็คือให้เรายินดีตามสมควรไอ้ที่ว่ายินดีตามสมควรก็คือว่าของที่เรามีของที่เราได้นั้นบางอย่างก็เป็นของที่ที่ควรใช้ควรบริโภคบางอย่างก็ไม่ควรใช้ไม่ควรบริโภคฉะนั้นเราก็ต้องต้องเลือกดูพิจารณาดูอนะอะไรที่มันมันควรแก่เราเราก็เอามาใช้เอามาบริโภคที่มันไม่ควรแก่เราเราก็ให้คนอื่นเขาไป เฉลี่ยไปให้คนอื่นเข้าไป อ, อย่างนี้ใช้ได้นะนี่เรียกว่ายินดีตามสมควรตามพอเหมาะพอควรบางคนนั้นแม้ว่ามันจะเกินพอดีของตัวเองไม่ควรกับตัวเองก็ไม่ยอมให้คนอื่นเอาเก็บไว้โดยที่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยหรือบางทีมีของกินอะไรนี้เก็บไว้จนกระทั่งเสียทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ไม่กินหรือว่าไม่อยากได้แต่ก็ไม่ยอมให้คนอื่นนี่แหละเป็นคน ที่มีความโลภเป็นคนเห็นแก่ตัวอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีดังนั้นไอ้ที่ว่ายินดีเอตามสมควรก็คือพอเหมาะพอควรอนะกับฐานะของตนหรือว่าพอเหมาะพอควรกับที่ตนจะใช้อนะพอเหมาะพอควรกับที่ตนจะบริโภคนะแต่บางอย่างมันไม่พอเหมาะพอควรเราก็แบ่งเบาให้คนอื่นไปดังนั้นยินดีตามสมควรนี้ในทางพระพุทธศาสนาก็ยังแบ่งออกไปอีกว่า อะไรควรแก่ฐานะนีว่ามันควรแก่ฐานะเราไหมเราเป็นพระเราเป็นคลหัดเราเป็นครูอาจารย์นีเรามีฐานะเป็นอย่างไรเป็นในร้อยเป็นในพันอ่าเราก็ต้องวางตัวให้เหมาะสมนีให้เหมาะสมให้เหมาะสมกับฐานะของเราให้ควรกับฐานะของเราถ้าเราเป็นพระเราวางตัวไม่เหมาะสมกับความเป็นพระก็เป็นที่ติชินนินทาของอุบาสกอุบาสิกาได้นี่เราเป็นคลุหัด เป็นครูอาจารย์ถ้าวางตัวไม่เหมาะสมกับความเป็นกระดับเป็นครูอาจารย์ก็เป็นที่สิชินินทาของคนทั่วไปยิ่งเรามียศมีตําแหน่งเป็นในร้อยเป็นในพันเป็นในพลฉะนั้นเราก็ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับฐานนะจึงจะเป็นที่น่าเคารพน่าเลื่อมใสน่ากราบไหว้ของผู้พบเห็นหรือผู้ได้สนทนากันโดยทั่วๆั่วไปประการต่อมาก็คือว่าให้เรารู้จักเ อ, อสิ่งที่สมควรแก่กําลังพร้อมเหมาะกับกําลัง หรือเรียกว่าควรแก่สมรรถภาพของตัวเรานะเพราะว่าคนเรานั้นย่อมจะมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันดันั้นอะไรที่มันควรแก่กำลังกายกำลังใจของเรากำลังสติปัญญาของเราเราก็ควรจะพอใจในแค่นั้นนะทำให้มันพอเหมาะพอควรแค่นั้นอย่างนี้เราก็สบายใจได้ชื่อว่า เป็นคนมีความพอดีนะรู้จักพอดีไ อ, อ, อ, อ้ความพอดีนั่นแหละดีแต่ไม่รู้จักความพอดีนั่นไม่ดีนะนั่นไม่ดีแปลการที่สามก็คือว่าควรแก่ศักดิ์ศรีนะควรแก่ศักดิ์ศรียินดีในสิ่งที่ควรนะคือหมายถึงว่าแก่ภูมิศีลภูมิธรรมของตนหรือว่าตนเองมีภูมิศีลภูมิธรรม อ, อย่างไรมีฐานะเป็นอย่างไรก็ให้เรา พอเหมาะพอควรแก่ศักดิ์ศรีแก่ภูมิศิลภูมิธรมรมอันนี้แหละจะทําให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและสังคมประเทศชาติมากฉะนั้นอที่พูดมานี้ก็เกี่ยวกับเรื่องความโลภนะเกี่ยวกับเรื่องความโลภซึ่งได้หาวิธีแก้ก็คือด้วยการสันโดดนะยินดีตามมียินดีตามได้ยินดีตามสมควรก็เพื่อเป็นการขยายให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ได้รู้ได้เข้าใจได้กว้างขวางยิ่งขึ้นทีนี้คนที่มีความโลภครอบงำแน่นอนที่สุดก็ย่อมจะทําแต่ความชั่วอย่างเดียวนะอย่างที่ได้บอกไปข้างต้นว่าถ้าไม่ลักทรัพย์เขาก็ปล้นหรือว่าตูชอบโกงค้าของเถื่อนคอรัปชันอย่างหนึ่งอย่างใดอันนี้ปัญหาในสังคมของเรามีมากนะมีมากจนเจ้าหน้าที่ตํารวจนี่มีไม่พอกับที่จ ะ, ะปกป้องคุ้มครอง ให้สวัสดิการของประชาชนที่ตั้งใจทํามาได้สุจริตให้อยู่เย็นเป็นสุขได้นะฉะนั้นที่เราต้องมีคุกตารางมากก็เพราะว่าคนเรามีความโลภมากเนะมื่อมีความโลภมากก็ทําผิดมากนะทําผิดมากฉะนั้นในความโลภนี่แหละมันทํามันเบียดเบียนจิตใจของเราทําให้ใจของเรานั่นหิวนะหิวพอหิวแล้วก็แสวงหาแล้วพระพุทธองค์จึงบอกว่า ที่คัตชาปรมาโรคาแล้วความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งนะสารพัดโรคว่างั้นเถอะสารพัดโรคแล้วก็เมื่อหิวแล้วก็ลืมนะลืมตัวขาดสติอทําอะไรก็ทําด้วยความประมาทอขาดความยั้งคิดคนเราเมื่อประมาทขาดความยั้งคิดก็แน่นอนที่สุดก็มีแต่ความเดือดร้อนตายเดียวจะนําแต่ความทุกข์มาให้กับตน ครบัวสังคมประเทศชาติแน่นอนนะเพราะว่าคนที่มีความโลบเลือกความผิวนี้ไม่รู้จักอิ่มนะไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพออนะแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนรู้จักอิ่มรู้จักพอแน่นอนที่สุดนั่นคือเราไม่โลคเลยนะเราไม่โลคและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวิธีแก้ความโลคก็ต้องแก้โดยการเสียสละก็คือให้ทานนะการให้ทานนี้กําจัดความเห็นแก่ตัวกําจัดความโลคอย่างเช่นท่านสาวตุชนทั้งหลายมีการ ตักบาตรพระตอนเช้าหรือว่าทําบุญให้ทานอ่ากับคนทั่วท่วไปอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่กําจัดความโลภได้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหากว่าเราทุกคนมีฮีริคือความละอายแก่ใจแน่นอนที่สุดเราก็จะไม่จะไม่มีความโลภเพราะความโลภเกิดขึ้นก็ให้นึกถึงว่าถ้าเราทําไปแล้วก็มันเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดความชั่วเกิดการติเตียนขึ้นอยู่ตลอดเวลา อเราก็จะเกิดความละอายไม่ได้เสียศักดิ์ศรีเสียวงตระกูลเราไม่ควรทําะถ้าเราคํานึงถึงอย่างนี้อ่าแน่นอนที่สุดนั่นแหละแสดงว่าเรามีฮีริความละอายแก่ียดใจฉะนั้นคนมีฮีริความละอายแก่ีใจในี่แก้ความโลภได้ปราบความโลภได้ฉะนั้นก็ให้เราทุกคนเวลาถ้าคิดในทางโลกของผู้อื่นอยากได้ของผู้อื่นก็ให้นึกว่านึกละอายแก่ใจไว้ว่าเราทําอย่างนั้นไม่ได้นถ้าทําไปแล้วก็ นอกจากตัวเองนั้นอาจจะเดือดร้อนแล้วก็ถึงที่สุดก็คืออาจจะเสียชีวิตก็ได้นะอาจจะต้องมีการรบราข้าวฟันกันอมีการอฉกชิงหรือว่ามีการแย่งชิงกันอันนี้เป็นเหตุที่นํามาซึ่งความหายนะอยู่อย่างเดียวนะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของความโลภทีนี้มาว่าถึงเรื่องโทสะนะโทสะคือความคิดประทุษร้ายผู้อื่นนะ คนที่คิดประทุษร้ายผู้อื่นนี้เป็นเป็นประเภทที่เรียกว่าคนใจร้อนนะคนใจร้อนฉะนั้นโทสะนี่จริงเป็นกิเลสประเภทที่ว่าทําจิตใจให้ร้อนรนเมื่อเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วก็ย่อมเผาผลาญความสุขนะความย่อมเผาผลาญความสุขทุกสิ่งทุกอย่างที่มีขึ้นให้หมดไปเรียกว่าทําสมรริภาพและคนงามความดีของผู้นั้นให้หมดไป มีแต่ความเล่าร้อนใจนะคิดแต่จะประกอบคำทำําความชั่วทำร้ายผู้อื่นนะฉะนั้นคนที่มีโทสะนี่ก็ท่านจะเห็นว่าเป็นคนที่ใจร้ายใจดำอมตนะเป็นคนที่ใจดำอมตเจนบางคนก็ชอบพูดด่าเนบแนมนะแกล้งใส่ร้ายหรือว่ารอบวางเพลิงหรือว่าฆ่ากันทำร้ายร่างกายกันเป็นนักเลงอันธพาลอะไรพวกนี้นี่เป็นประเภทคนโทสะทั้งนั้นนะ เป็นประเภทคนโทสะทั้งนั้นเลยฉะนั้นพวกคนโทสะนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายว่ามันมีศัพท์อยู่หลายศัพท์อที่มาใช้เกี่ยวกับเรื่องคําว่าโทสะอย่างเช่นคําว่าตัวพยาบาทความคิดเกียดแค้นหรือว่าแก้แค้นอโกทะความเดือดร้อนเดือดดานใจอ่าปฏิฆะความขัดใจอารติความไม่พอใจออันนี้เรีว่ามาจากเรื่องของตัว โทสะทางนั้นแล้วพอโทสะเกิดขึ้นก็ทําให้เรานะั้นลุกอํานาจของความโกรธลุกอํานาจของโทสะเมื่อเราลุกอํานาจของโทสะเราก็ทําอะไรไปโดยขาดความรับผิดชอบขาดความยั้งคิดแน่นอนที่สุดเราอาจจะฆ่าคนก็ได้หรือทําร้ายร่างกายเขาให้วิคนวิการก็ได้อืหรืออาจจะเป็นคนลอบวางเพลิงบ้านเขาก็ได้ แกล้งใส่ร้ายผู้อื่นให้เขาต้องเสียหายก็ได้อืมดีไม่ดีก็ด่าว่ากล่าวผู้อื่นอโดยที่ว่าไม่ได้คิดว่าเขานั้นจะต้องได้รับอความเดือดร้อนอย่างไรอันนี้แหละเป็นเรื่องของโทสะคนเราเมื่อมีโทสะแล้วมันก็หุนหันพันแลน่นหุนหันพันแล่นในตัวโทสะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็แก้ยากห้ามยากในคนเรานี่เขาบอกว่า ให้เสือที่มันอยู่ในป่ามันดุร้ายเนี่ยเรายังจับออกมาได้นะยังจับได้เอามาขังตรงได้เอามาเล่นละครได้เอามาบังคับได้แต่ว่าโทรศัพท์พอเกิดขึ้นแล้วนี่เราจับไม่ค่อยอยู่นะเราจับไม่ค่อยได้ต่อเมื่อไปทําร้ายผู้อื่นเข้าแล้วนั่นแหละเราจึงค่อยค่อยหยุดนะเรียกว่าจับได้แต่มันก็สายจะแล้วนะมันสายจะแล้วเพราะอาจจะไปฆ่าเขาตายจะแล้วอาจจะไปด่าเขาจะแล้วนี่อาจจะไป วางเพลิงเผาตึกราม่านช่องเขาเจะแล้วนี่หรืออาจจะไปรังแกคนได้ทุกๆคนทุกๆประเภทนี่แหละจึงบอกว่าเราจับไม่อยู่เราจับไม่อยู่ฉะนั้นวิธีที่จะแก้โทสะ ก, ก็คือว่าต้องแก้ด้วยการรักษาศีลหรือแก้ด้วยการมีเมตตากรุณาหรือจะแก้ด้วยขันติความอดทนแก้ด้วยธรรมะคือความข่มใจหรือการเจริญภาวนาต่างๆอันนี้แหละ เรียกว่าเราจะแก้ตัวโทสะได้จะแก้ตัวโทสะได้ฉะนั้นเราแก้อย่างง่ายๆก็คือว่าคนมีโทสะแล้วคือว่าอดทนคันติเมตโตตะกังพระพุทธองค์เลยบอกว่าน้าคือคันติเมตตานี่สามารถที่จะแก้ตัวโทสะได้แก้ตัวความร้อนได้เพราะว่าน้านั้นถ้าหากว่าเราร้อนแดดก็ดีร้อนลรวอยู่ใกล้ไฟก็ดีเราอาบน้าให้เย็นได้ แต่ว่าเมื่อโทสะเกิดขึ้นแล้วนี่เราจะอาบน้ํามันไม่หายเย็นอยู่ในห้องแอร์มันก็ไม่หายเย็นเพราะมันเป็นไฟภายในมันเป็นกิเลสเผาใจอยู่ภายในเราจะต้องเอาธรรมะเข้าไปแกนะ้เอาธรรมะเข้าไปแก้ก็คือประการแรกก็คือให้มีความอดทนมากๆนกให้มีความอดทนมากๆให้รู้จักข่มใจมากๆากถ้าเรารู้จักอดทนรู้จักข่มใจแน่นอนที่สุดเป็นด่านแรกที่เราจะปราบตัวโทสะได้นะปราบตัวโทสะได้ และยิ่งไปกว่านั้นก็คือให้เรามองคนในแง่ที่ดีก็คือมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นอนะเมตตาก็คือว่าปรารถนาความรักปรารถนาความดีต่อกันนะไม่มีการมองกันในแง่ร้ายนะคนเราทุกวันนี้บางครั้งมองกันก็รู้สึกว่าไม่ชอบใจกันซะแล้วนะมองกันบางครั้งก็ขอประทานโทษเป็นเหตุนํามาซึ่งการชกต่อยกันชกอมีการตีกันการฆ่ากันอันนี้ก็มีเยอะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนระถือว่า เราทําไปด้วยการด้วยความขาดความยั้งคิดทําไปด้วยความประมาทพลาดพลัง้งนะฉะนั้นเราก็จะต้องมีเมตตาคนที่มีเมตตานะั้นรู้สึกว่าจะไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้อื่นนะไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้อื่นขอให้ท่านลงนึกถึงเรื่องสาวมาวดีนะนางสาวมาวดีนี่เป็นคนมีเมตตามากเป็นคนมีศีลเป็นคนมีธรรมนะแม้ว่านางนั้นจะถูกพนางมาคันตยา อซึ่งเป็นพูดอย่างภาษาชาวบ้านก็คือว่าเมียน้อยของพระเจ้าอุเทนนะ่ะอิจฉาริษยาใส่ร้ายโดยประการต่างๆแต่นางก็ไม่เคยเกิดนะไม่เคยเกิดไม่เคยว่าร้ายมีแต่ยะแผรบุญแรผรกุศลให้กับอคนที่อิจฉาริษยามีแต่ยาอ่าวยพรให้คนที่อิจฉาริษยานั้นเขามีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญผลที่สุดเป็นไง ไอ้ความที่นางเป็นคนมีเมตตาปรารถนาดีต่อคนทั่วไปเนี่ยก็ทำให้นางนี่ต้องแคล้วพลาดจากอันตรายได้หลายๆอย่างนะแม้ว่าครั้งสุดท้ายนางนั้นจะถูกมาคันธิยาได้ปิดประตูบ้านนะปิดประตูพระราชมนเทียนนะเอาไฟเผ า, เอ า, เ, ผาเอาไฟจุดจนถึงว่านางสา ม, มาวดีกับพวกหญิงบริวา น, นันหมดโอกาสที่จะหนีออกไปได้ก็ถูกไฟเผาตาย อแม่แม้ก่อนที่นางจะตายนางก็ยังไม่เคยโกรธไม่เคยคิดโกรธยังกลับสอนพวกอหญิงบริวารของนางว่าอย่าได้โกรธนะว่าคนเราทุกคนเกิดมานั้นก็ต้องตายขอให้ทุกคนนั้นตั้งใจตั้งกัลยาณจิตทําจิตให้แน่วแน่ให้เป็นสมาธิแผ่เมตตาให้กับพระเจ้าอุเทศแผ่เมตตาให้กับนางมาคันธิยาขอให้พระเจ้าอุเทศแล้วนางมาคันติยานั้นจงมีความสุขเถิดนี่ฉะนั้นนี่แหละเป็นการ แผ่ความสุขให้มีเมตตามีความกุณาต่อผู้อื่นอย่างที่ญาติโยมทั้งหลายที่มีการสวดมนรรมต์ทำวัดหรือไหว้พระก่อนนอนที่มีการแผ่เมตตาที่บอกว่าสเพสัตาอย่างนี้แหละดีมากดีมากแล้วก็จะทําให้เรานั้นมีความสุขแล้วทําให้ผู้อื่นก็ได้รับความสุขโดยทั่วกันฉะนั้นและในประการต่อมาก็คือว่าเราแก้ด้วยการรักษาศีลนะได้แก้ด้วยการรักษาศีล ศีลนี้เป็นเครื่องรักษากายวาจาอ่ารักษากายวาจาให้เรียบร้อยรักษากายวาจาให้งดงามก็เท่ากับว่าเรานั้นหยุดทําความชั่วทางกายทางวาจาคนเราเมื่อโทสะเกิดขึ้นก็มักจะสั่งให้กายทําให้วาจาทําแต่เมื่อเรามีศีลเป็นเครื่องรักษากายวาจาก็คือปิดกั้นะปิดกั้นช่องทางที่ตัวโทสะจะออกมาแ ก็อย่างนี้ก็เหลือแต่ทางใจไอ้ทางใจนั้นมันไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้อื่นแต่ว่าเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองนะเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองแต่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับผู้อื่นฉะนั้นเราก็จะต้องด้วยแก้ด้วยการรักษาศีลแก้ด้วยการรักษาศีลก็เป็นต้นว่าอย่างศีลท่าในง่ายๆนะศีลท่าก็ที่หนึ่งก็คือเราไม่ฆ่าสัตว์นี่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทรมานสัตว์ไม่กักขังสัตว์ คำว่าสัตว์ในที่นี้กินความไปถึงพวกสัตว์มนุษย์ด้วยนะเราอยู่กับมนุษย์อยู่กับบคุคคล น, นี้เราจะต้องไม่คิดฆ่าไม่คิดอาฆาตมาด ร, ร้ายนะนะไม่คิดอาฆาตมาด ร, ร้ายต่อกันปรารถนาดีต่อกันอืมอันนี้แน่นอนที่สุดก็จะมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าหากว่าเราคิดแต่ในทางเบียดเบียนผู้อื่นทําร้ายผู้อื่นแน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่โทษนาน า, น า, นาประการ และในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ก็ได้ตัดไว้ในจูรกรรมสูตรอุปริป น, นาตแห่งพระสุตตันตปิฎกเกี่ยวกับเรื่องกรรมว่าคนที่ฆ่าสัตว์มักจะเป็นคนมีอายุน้อยนะหรืออายุสั้นนะเป็นคนมีอายุสั้นอคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ก็จะเป็นคนมีอายุยืนคนที่ชอบเบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์กับขังสัตว์ก็จะเป็นคนมีโรคเนา ะ, ะมีโรคมากส่วนคนที่ไม่ ทรมานสัตว์ไม่กักขังสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ก็จะเป็นคนมีโรคน้อยนี่อันนี้ก็ได้มีเป็นหลักฐานไว้ก็เพื่อฝากให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายไว้พินิษพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่คนเราจะต้องเบียดเบียนกันทาํารา้รายร่างกายกันอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่ควรกระทําส่วนในทางวาจาก็คือให้เรานั้นงดเว้นจากการ พูดส่อเสียดพูดจาเน็บแนมใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นนะรู้สึกว่าอันนี้โดยเฉพาะชาวบ้านเราในะเรื่องนินทากาเลนี่รู้สึกว่าถือว่าเป็นงานอดิเรกนะที่ทุกคนชอบกระทบว่างไม่ได้ว่างแล้วก็ชอบนินทาผู้อื่นนะอิจฉาผู้อื่นลิษยาผู้อื่นอันนี้รู้สึกว่าก็สร้างความปนป่วนให้เกิดขึ้นในสังคมมากนะฉะนั้น ถ้าหากว่าเราหยุดจะได้เว้นจะได้แน่นอนที่สุดเท่ากับว่าเราตัดไฟแต่ต้นลมเราจะไม่ร้อนกายไม่ร้อนใจแต่ถ้าหากว่าเรายังคิดอิจฉาหรือจสียผู้อื่นนะโดยการพูดถากถางผู้อื่นหรือว่าพูดคำไม่สุภาพกับผู้อื่นแน่นอนที่สุดทุกโทษหรือว่าความชั่วต่างๆมันก็จะตามมาเข้าตําราที่เรียกว่าปลาหมอตายเพราะปากนะปลาหมอตายเพราะปากไอปลาหมอเนี่ยมันมันอยู่ในน้ามันไม่อึดไม่ทน พออยู่ในน้ำไม่อึดไม่ทนก็โผล่ขึ้นมาหายใจพอโผล่ขึ้นมาหายใจก็ดีนะถูกฉมวกถูกแทงนะไอคนเราเหมือนกันท่านไม่รู้จักอดทนนะแน่นอนที่สุดนะเราก็อาจจะพูดอะไรไปตามอำเภอใจที่ตนได้ ร, ดรู้ได้เห็นม า, อ, นนมน า, มาอันนี้มันก็ตายมาสุมากเลยลราก็อาจจะพูดอะไรไปตามอำเภอใจที่ตนได้รู้ได้เห็นมาอันนี้มันก็ตายมาสุมากเลยอืได้รู้จักท่านจ ยัเป็นคำกลอนไว้ว่าเป็นมนุษย์สุดนิยมที่ลมปากจะได้ยากโหยหิวเพราคิวหาแม้นพูดดีมีคนของเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะวามนี่ถึงกล่าวพูดพูดดีเป็นศีสัจมีคนนักรส ถ, ถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทําลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจานี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของอการพูดเป็นเรื่องของการพูดฉะนั้นถ้าหากว่าเรารักษาศีลก็เท่ากับว่า เรารักษาวาจาในข้อนี้ไรักษาความชั่วที่จะเกิดขึ้นในทางวาจาได้เราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความจเจริญนี้มาในข้อที่สามที่เรีกว่าโมหะคือความหลงไม่รู้จริงคือความหลงไม่รู้จริงในตัวโมหะนี่อนที่ว่าหลงไม่รู้จริงไม่รู้อะไรถ้าจะพูดกันอย่างง่ายๆก็คือว่าไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วไม่รู้ดีไม่รู้ชั่ว ไอ้ตัวนี้ก็คือตัวหลงผิดตัวหลงผิดเข้าใจผิดไม่รู้จักรับผิดชอบไม่รู้จักรับผิดชอบลักษณะที่แท้จริงของหมอนั้นไม่ใช่ว่าไม่รู้นะไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเสยเลยรู้แต่ว่ารู้ไม่ถูกรู้ไม่จริงรู้ไม่ถูกรู้ไม่จริงไอ้ที่เขารู้กลับไอ้ที่สิ่งที่น่ารู้กลับไม่รู้ ไอ้ที่ไม่น่ารู้เรากลับไปรู้นี่ฉะนั้นนี่แหละเรียกว่าคนที่มีโมหะคือไม่รู้อะไรไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษนี่ก็คือประเภทคนมีโมหะฉะ น, นั้น้คําว่าโมหะนี้จึงมีศัพท์ในทางพระพุทธศรราสนาที่จะมีความหมายลงในข้อโมหะอยู่อสองศรรัพท์นะเช่นว่าพวกมิจฉาทิฐิความเห็นผิดที่เรียกว่าเห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักเป็นดอกบัวไอ้นี่เอาวิช า, าคือความไม่รู้ไม่รู้หรือว่ารู้ไม่แจ่มแจ้งรู้ไม่จริงถ้าในขั้นสูงก็คือว่าตัวไม่รู้ทุกไม่รู้ทุกไม่รู้เหตุให้เกิดทุกไม่รู้ความดับทุกไม่รู้หนทางให้เึงนความดับทุกอันนี้เป็นขั้นสูงนี่คนเงานั้นเมื่อเวลามีเมื่อโมหะเกิดขึ้นเมื่อโมหะเกิดขึ้นก็ มักจะเป็นประเภทที่เรียกว่าเป็นคนเห็นผิดเป็นคนดื้อด้านเป็นคนถือรั้นเป็นคนงัวเมาเป็นคนหูเบาเป็นคนเนระคุณเป็นคนเผลอเรอเป็นคนเซ่อเซะโง่เง่าเตาตุนอะไรนี่เรียกว่ามักจะแสดงออกอย่างนี้อันนั้นคนที่เนระคุณคนเนี่ยนี่แหละเป็นคนที่มีจิตมีโมหะหรือคนที่ดื้อด้านนะดื้อด้านดื้อรั้นนะพูดอะไรไม่ค่อยเชื่อฟัง มักจะประพฤติเป็นนิสัยอยู่เรื่อยๆเนี่ยอย่างนี้คือคนที่มีโมหะแล้วคนที่มีโมหะนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายบางครั้งเราจะดูว่าคล้ายๆเหมือนว่าจะเป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดบางคนก็ทาเฉยนะคนมีโมหะนี้บางคนก็ทำเฉยคล้ายๆเหมือนว่าไม่กล้าแสดงออกในความรู้ของตน คล้ายๆเหมือนว่าจะเป็นคนฉลาดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ฉลาดไม่ใช่ฉลาดฉะนั้นคนที่มีโมหะมากๆนี้แน่นอนที่สุดจะต้องแก้ด้วยเป็นการมีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะหรือว่ามีสติปัญญามีสมาธิคือมีใจตั้งมั่นมีพาหุสัจมีพาหุสักจ<ม>ก็คือว่าให้เป็นคน สะดับตรับฟังมากมากเราเรียนมากๆศึกษามากมาแล้วจะแก้ได้จะแก้ได้อเที่ว่าคนมีสติสัมปชัญญะก่อนพูดก่อนทํำก็มีสติในขณะพูดขณะทําอะไรก็มีความรู้สึกตัวแน่นอนที่สุดจะกําจัดความโง่ได้ในที่คนเราผิดทำอะไรผิดพลาดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพราะเราขาดสติสัมปชัญญะ ทำอะไรโดยที่ว่าไม่ได้ระลึกเสียก่อนไม่ได้คิดเสียก่อนไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรไปไม่รู้ตัวว่าตัวเองพูดอะไรไปไม่รู้ตัวว่าตัวเองคิดอะไรไปนี่โดยมากมันเป็นอย่างนี้ก็กลายเป็นคนเพลิอเจลิมีสติเลื่อนลอยนะมีสติเลื่อนลอยนี่แหละคนพวกนี้ถือว่าเป็นคนที่มีโมหะนะมีความลุ่มหลงเป็นคนไม่รู้จริงนะไม่รู้จริง ฉะนั้นถ้าหากว่ามีสติปัญญาแน่นอนที่สุดคนพอพอปัญญาเกิดปัญญานี่มันก็ตัดนะตัดความมืดตัวโมหะตัวอวิชชาเหมือนกับแสงพระอาทิตย์พอมันส่องสว่างขึ้นแล้วความมืดมันก็หมดไปนะความมืดก็หมดไปเพราะลักษณะของปัญญานั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัดนะตัดความชั่วตัดอกุศลพอปัญญาเกิดขึ้นแล้วแน่นอนที่สุด ก็มักจะพูดจะทาจะคิดอะไรก็เป็นไปนในทางที่ดีที่งามที่ถูกที่ควรแต่ถ้าปัญญาไม่เกิดก็ทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามไม่ถูกไม่ควรนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงเสื่อมเสียวงตระกูลนะแม้กระทั่งที่สุดก็คือว่าจะทำให้เกิดปัญหาแก่สังคมประเทศชาติฉะนั้นเราจะต้องแก้นะเราจะต้องแก้แก้ที่เราทุกคนมีความโลภแก้เราทุกคนมี โทสะแก้เราทุกคนในวหาหนะแก้ด้วยวิธีการนนะแก้ด้วยวิธีการแล้วก็แก้ด้วยวิธีแก้การแก้ด้วยวิธีการก็คือให้เราทุกคนนั้นหมั่นอบรมบ่มนิสัยนะด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญสมาธิด้วยการเจริญภาวนานะอันนี้แหลเะเขาเรียกว่าแก้ด้วยวิธีการนะกันไวซ้ซส ก, ก่อนก่อนที่ปัญหานี้จะเกิดขึ้น ให้เราศึกษาเล่าเรียนให้รู้ดีอ่าให้รู้ดีให้รู้ชั่วให้ท่องแพสไปก่อนแน่นอนที่สุดเมื่อเราเรียนให้รู้ดีศึกษาให้รู้ดีอ่าจนมีปิตใจมั่นคงมีความรู้มั่นคงให้ความโลกปังกฏดความหลงมันก็เกิดขึ้นไม่ได้หรือว่ามันเกิดขึ้นนั้นมันก็น้อยนะโอกาสมันก็มีน้อยที่เราแก้ด้วยวิธีแก้ก็คือว่าให้คำนวณดูผลเสียหายว่ามีมากน้อยอย่างไรอมีมากน้อยอย่างไร ในเมื่อเราประสบปัญหาอย่างนั้นขึ้นคำนวณดู ก, ก่อนว่าเมื่อเราทำไปแล้วมันจะมีผลเสียหายอย่างไรนะถ้าหากว่ามันเป็นเหลือสิ่งสุดวิสัยแน่นอนที่สุดเราก็ต้องยินดีต้อนรับกับความเสียหายอันนั้นนะกับความเสียหายอันนั้นแล้วแต่ว่าขอให้เราทุกคนนั้นก็พยายามแก้อย่างสุ ข, ขุมรอบคอบเยีเยบเยินเพื่อให้สิ่งร้ายกลายเป็นดีได้นะ หลายเป็นดีได้อย่างนี้ก็คือว่าเท่ากับว่าเราต้องรู้จักวิธีการแก้ทุกขนะ์แก้ทุกข์อันมันเกิดด้วยความโลภนะความโกรธความหลงนี่เองนะฉะนั้นอที่พูดมานี้ก็เป็นเพียงย่ยอดเป็นเพียงแนวทางนะเป็นเพียงแนวทางเกี่ยวกับเรื่องอกุโศลมูลอนะทั้งสามข้อนี้ถ้าหากว่าเกิดขึ้นในจิตใจผู้ใดก็ย่อมจะกัดก่อน ่าจิตใจของผู้นั้นให้ผุให้ก่อนไปให้ย่อยยับไปให้หมดสมรติภาพอ่าทําให้พลังจิตนั้นไม่มีสมรติภาพในการนึกคิดในการทําทุกสิ่งทุกอย่างอ่าเปรียบเหมือนกับสนิมที่มันเกิดจากเหล็กมันก็ย่อมกัดเหล็กให้ผุให้ก่อนไปข้อนี้ชั้นใดอ่าจิตใจของคนเราเหมือนกันถ้าว่ามีความโลคความเกิดความหลงเกิดขึ้นมันก็ย่อมจะกัดจิตใจของเราให้ผุให้ก่อนไปให้ย่อยยับไปฉันนั้น ฉะนั้นเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังถึงอกุศลมูลสามแนวก็จะต้องมาทราบถึงเรื่องกุศลลมูลนะอกุศลมูลก็คือว่ารากเง่าของความดีนะรากเง่าของความดีก็มีสามอย่างอีกเหมือนกันคืออะโลภะนะไม่โลภหรือว่าไม่อยากได้อโทอสะไม่คิดประทุษร้ายผู้อื่นนะอมโมหะก็คือไม่หลง ไม่หลงทีนี้อันนี้ก็คือตรงกันข้ามกับที่ว่าเมื่อกี้นะตรงกันข้ามเมื่อคนเราไม่โลกก็คือเรารู้จักพอเรเรารู้จักพอคนที่รู้จักพออย่างที่บอกไ้เมื่อกี้นั่นแหละคือเป็นคนดีรู้จักเสียสละรู้จักแบ่งปันวัตถุสิ่งของต่างๆให้ที่ตนมีอยู่ให้กับผู้อื่น เรียกว่ารู้จักอบเพื่ออารีต่อผู้อื่นมองเหตุเอาใจของผู้อื่นเอามาใส่ใจตนบ้างเห็นเขาเดือดร้อนก็ต้องนึกว่าถ้าเป็นเราบัาง่งเราก็ต้องเดือดร้อนฉะนั้นเราต้องคิดช่วยเหลือเขาต้องคิดช่วยเหลือเขาไม่ใช่เราเห็นแต่ยเกาะโกยเอาท่าเดียวเห็นจะได้อย่างเดียวอันนี้แหละมันไม่ถูกไม่ต้องฉะนั้นแน่นอนที่สุดกุศลละโมลนี่แหละเป็นข้อที่ปราบอากุศลละโมน อาคุณสมรูป ม, มันมีความโลภ ก, ก็ต้องแก้ด้วยคุณสมรูปก็คือไม่โลภในตัวไม่โลภนั่นแหละคือตัวไม่โลภตัวมีเมตตาอมีกรุณามีขันติมีธรรมะความอดทนอย่างนี้แหละถือว่าดีมากดีมากแล้วก็เราไม่ไม่มีโทส ะ, ะไม่คิดปัสทุวร้ายผู้อื่นแน่นอนที่สุดเราก็มีเมตตานันะ่นแหละเราก็มีเมตตา เราไม่ไม่หลงก็คือเราก็มีสติปัญญาเราไม่หลงเราก็มีสติปัญญาเราก็มีสมาธิมีการศึกษาเล่าเรียนให้รู้ดีรู้ชั่วอย่างนี้เราก็จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคนเราถ้าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแน่นอนที่สุดจิตใจมันก็สะอาดผองใสคนเราถ้าจิตใจสะอาดผองใสก็แน่นอนที่สุดจะพูดจะทําอะไรมันก็ได้ดังที่ใจนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็รู้ทุกอย่างตามความเป็นจริง ก็แปล ว, ว่าจิตใจของเรานั้นเป็นสมาธิตั้งมั่นนั่นเองพระพุทธองค์จึงได้ตรัสเลยว่าสมาธิพิเกเวพาเวทะสมาหิโตยะถาปูตังวชานาติว่าพิสุทั้งหลายจงพาการเจริญสมาธิเถิดเมื่อเมื่อเจริญสมาธิจึงมีจิตใจตั้งมั่นแล้วก็จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงได้แต่ว่าถ้าใจไม่ตั้งมัน่นหรือใจยังไม่เป็นสมาธิ เราก็จะไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงคือยังรู้หลงหลงยังรู้หลอกหลอกนะยังรู้ผิดรู้พลาดนะแต่ถ้าหากว่าใจตั้งมั่นก็คือใจที่มีสมาธิตั้งมั่นใจแน่วแน่นะใจพองใสนะใจปลอดโปร่งแน่นอนที่สุดเราก็จะเห็นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ชัดนะเห็นดีก็เป็นดีเห็นชั่วก็เป็นชั่วไม่ไม่ใช่ว่าเห็นชั่วเป็นดีหรือว่าเห็นดีเป็นชั่ว นี่ฉะนั้นนี่แหละคนที่มีจิตใจตั้งมัน่นมีจิตใจเป็นสมาธิแล้วจึงจะรู้จึงจะทําอะไรได้ถูกต้องตามความเป็นจริงฉนะนั้นขอให้เราทุกคนได้สนใจการทําสมาธนะิสนใจการทําสมาธิฉะนั้นทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าตามวัดวาอารามต่างๆตามสํานักต่าง ๆ, างๆก็มีการชักชวนตื่นตัวกันให้พวกเรานั้นพากันเจริญสมาธิหรือว่าก่อน จะหลับจะนอนตื่นนอนก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิทักห้านาทีสิบนาทีแค่นี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วนะแค่นี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนจะมาใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิก็จะทำให้ตัวเองนั้นมีแต่ความสุขความเจริญแต่ตรงกันข้ามคนเหล่านั้นบางครั้งก็มองไม่เห็นคุณค่าอันนี้นะ มองไม่เห็นคุณค่าของการทำสมาธิมักจะอ้างว่าไม่มีเวลาว่างบ้างนะหรือบางคนก็พูดกระทบกระเทียบว่าไปนั่งหลับตาแล้วจะเห็นอะไรนะว่านั่งหลับตาแล้วจะไปเห็นอะไรนี่เพราะว่าคนพูดนั้นไม่เข้าใจหลักธรรมตามความเป็นจริงอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่เคยได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธินะไม่เคยได้ศึกษาเล่าเรียนมาทางนี้ไม่เคยได้ไปลองนั่งทำดู ไม่ได้สนทนาธรรมกับคนที่เขามีความรู้ดีในทางนี้ก็จึงทาให้ตัวเองนั้นพูดอะไรก็ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและอาจจะพูดไปด้วยอํานาจแห่งความไม่พอใจก็ได้ฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นพากันเจริญสมาธิเถอะนะเมื่อเราเจริญสมาธิแน่นอนที่สุดคนที่เจริญสมาธิถึงขั้นนะก็จะมีแต่ความสุขเท่านั้นนะสมาธินี่มันมี เป็นลำดับอยู่สามลำดับคือหนึ่งขณิกะสมาธิเรียกว่าได้จิตสงบได้ชั่วครั้งชั่วคราวชัว่วคู่ชั่วอ ย, ยาวได้นิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยได้ชัว่วขณะเช่นว่าบางคนนี่อาจจะนั่งทําสมาธิได้สักหานาทีสิบนาทีแม้บางคนก็ปลารบเอาเหตุอื่นเหมือนกันบางคนนี่เรียกว่ากําลังมีจิตใจฟุ้งซ่าน พอได้ยินเสียงพระสวดมนต์แค่นั้นนะรู้สึกว่าจิตใจสงบเลยจิตใจสงบเลยรู้สึกชุ่มชื่นเลยบางคนได้ฟังเสียงะระฆังตีแค่นั้นเลยบอกว่าแหมใจในี่ชุ่มชื่นเลยสงบไอ้ที่คิดโลคโกรธหลงอะไรแนี้ไม่คิดเลยพอได้ยินเสียงะระฆังแล้วมันเท่ากับว่ามันเป็นเสียงมนหรือเป็นเสียงกลังสะ دان อะไรมาเตือนจิตสกิดใ จ, จว่านั่นเป็นเสียงอ่า แห่งการกระทําความดีแล้วก็บอกเลยว่าถ้าใครทําความชั่วก็จะเดือดร้อนถ้าใครทําความดีก็จะมีสุขอบางคนก็เอาเหตุภายนอกนี้มาทําจิตใจให้เป็นสมาธิด้้งประการที่สองก็คืออุปจารสมาธิก็หมายถึงว่าสมาธิที่เข้าไปใกล้อใกล้จะสงบอย่างมั่นคงเรียกว่าเป็นสมาธิที่เฉียดเฉียดใกล้จะถึงความมั่นคงใกล้จะถึงแนว่วแน่อยู่แล้ว นะอันนี้ก็ได้นานได้เป็นพักๆนะได้เป็นพักๆอาการที่สามก็คืออัปปนาสมาธิมีจิตใจแน่วแน่อยู่นานนะอันนี้อยู่นานอันนี้อยู่ได้เป็นวันๆนะอยู่ได้เป็นวันๆบางคนนี่นั่งสมาธิได้ตั้งสามสิบสี่สิบชั่วโมงก็มีนะอันนี้ก็ไม่เคยเห็นมาแล้วนะนี่แหละพวก อ, อัปปนาสมาธิ นั้นเมื่อเราทำสมาธิได้ถึงขั้นนี้ก็ถ้าว่าเราปราบนิวรหัสด้วยนะปราบนิวรหัได้วย<ม>นิวรนีิเป็นนิวรณุปกิเลสคือเป็นกิเลสที่ปิดกัน้นไม่ให้คนเรานั้นได้ได้บรรลุคุณงามความดีหรือได้ทำความดีได้สมตามความมุ่งหมายมันปิดกั้นไว้นิวรหัศก็มีหนึ่งเช่นว่าความพอใจในความรักนะ พอใจในความรักพอใจในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในการสัมผัสนี่นี่ตัวอปปนาสมาธิที่ปรับได้นะปราบไ ด, ปบได้ประการที่สองตัวพยาบาทนะตัวพยาบาทนี่สมาธิก็ปรับได้นะคนที่มีความโกรธง่ายหายเร็วหรือเป็นคนใจร้อนอปากร้ายมือไวอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าทํานําสมาธิแล้วก็ จะทำให้สิ่งเหล่านี้หมดไปหรือเบาบางไปแต่การที่สามก็คือมีความง่วงเหงาเหาหนอนมีความง่วงเหงาเหาหานอนรู้สึกว่าจะทําอะไรมันก็ง่วงอยู่เรื่อยเลยบางคนนี่อ่านนิยายนี่อ่านได้ลหลายๆชั่วโมงอ่านหนังสือกําลังภายในนี่อ่านได้เป็นวักเป็นเว้นนะอ่านได้เป็นวันวันแต่พอหยิบตาราที่ตนเองได้ศึกษาเรียนมาอ่านนั้นไม่ถึงสิบนาที ขาวแล้วนะง่วงแล้วนะหรือบางครั้งเนี่ยให้สังเกตดูพอเราจะปฏิบัติธรรมจะฟังเทศฟังธรรมรู้สึกมันง่วงเลยเนี่ยมันมันมีนิวรณ์คอยมาครอบงาอยู่เลยปิดกั้นมาเลยมันเป็นมารนะมันเป็นมานแนะ ม, ม, ม่ให้เรานั้นได้บรรลุคุณงามความดีได้แต่ว่าเวลาถ้าเราไปดูดนตรีดูหนังดูละครนิทราสว่างเหมือนกันกบคําพูดที่ชาวบ้านก็พูดว่าฟังเทศง่วงนอนดูละครตาสว่างเนะ่ยอย่างนั้นแหละ นี่แหละฉะนั้นที่บอกว่าไตัวนี้เลยเป็นตัวนิวรที่ปิดกัน้นะเป็นนิวรที่ปิดกัน้นคือความม่วงเหนาหงานอนประการที่สี่ก็คืออ่าความฟุ้งซ่านลำคันใะจความฟุ้งซ่านลำคานใจทําให้เรานั้นไม่มีจิตใจสงบจิตใจเป็นคลื่นนะเป็นคลื่นอยู่ตลอดเวลาอ่านะในหัวใจนะั้นมันฟุ้งอยู่เลยเหมือนกับไอ้ฝุ่นที่มันฟุ้งอยู่ตามถนน มันเป็นหมอกไปหมดนะมันเป็นหมอกเรามองไม่เห็นอ่าไม่เห็นตามความเป็นจริงขับรถก็อาจจะชนกันได้หรือในหน้าหนาวหมอกลงมากๆในรถเรือก็อาจจะชนกันได้อ่าคนที่มีจิตใจฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลานั่นแหละมันก็เหมือนกับว่ามีหมอกคือกิเลสตัณหาคือกิเลสตัณหาหรือตัวโ ด, โดยเฉพาะใอ้ตัวนิวรณ์เนี่ยมันมาปิดไว้มาคลุมไว้ทําให้เราไม่ รู้แจ้งเห็นจริงในทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงได้ฉะนั้นเมื่อเราเจริญสมาธิได้ถึงขั้นส่งแล้วเราก็สามารถจะปราบอันนี้ได้หรือทาให้เบาบางลงไปได้ประการสุดท้ายก็ตัวลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้ลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอันนี้เป็นบุญหรือเปล่าเป็นคุณหรือเปล่าเป็นโทษหรือเปล่าหรือบางครั้งก็คืออย่างนี้จะเป็น ทำบุญแล้วได้บุญไหมทำบาปแล้วจะได้บาปไหมไม่มีคนเห็นแล้วจะเป็นบาปหรือเปล่าเรามีคนเห็นแล้วจะเป็นอย่างไรนี่อันนี้ทําให้เราลังเล ส, สงสัยบางครั้งเราก็กลายเป็นพวกไม่ฉาทิฏฐิไปก็ได้ไปคิดว่าการทำดีนันจะต้องมีคนยกย่องมีคนชมเชยจึงจะชื่อว่าเป็นการทำดีการทำชั่วนั้นจะต้องมีคนตำหนิติชินินทาหรือว่าถูกจองจัง ถูกเจ้าหน้าที่จับไปลงโทษอันนี้จริงจะเป็นการกระทําความชั่วนี่แหละอันนี้ทําให้เราหลงผิดได้หลงผิดได้แต่ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการทําดีทําชั่วนั้นอะจะมีคนชมหรือไม่มีคนชมถ้าเราทําดีแล้วมันก็เป็นความดีการทําชั่วเหมือนกันถ้าเราทําชั่วจะไม่มีคนติจะมีคนติจินินทาหรือไม่มีก็าตามอ่ามันก็เป็นความชั่วอยู่นั่นแหละมันก็เป็นความชั่ว อย่างน้อยก็ตัวเองรู้นะรู้ว่าตัวเองทําชั่วตัวเองรู้ว่าตัวเองทําดีฉะนั้นไม่ต้องเอาคนอื่นมาเป็นประมาณมาเป็นเครื่องวัดว่าตัวเองทําดีนั้นจะต้องให้มีคนยกจ่องชมเชยทําชั่วจะต้องมีคนติชินิถามไม่ใช่อย่างนั้นนะฉะนั้นตัวตัวของตัวเองย่อมรู้ดีนะตัวของตัวเองย่อมรู้ดีนะอันนี้ถ้าว่าเรานั่งสมาธิได้อ่าในขั้นนี้ก็แน่นอนที่สุดเราก็ปราบปิวอนได้นะ ปราบไม่วอนไดไ้เครื่องปิดกั้นนี่มันก็จะหมดไปนะก็จะหมดไปแต่ถ้าหากว่าเรายังมีจิตใจไม่เป็นสมาธิถึงขั้นอัปนานสมาธิแน่นอนที่สุดเราก็จะมีความทุกข์ความเดือดร้อนเรียกว่ายังตกอยู่ภายใต้นิวรณูปกิเลสคนเราถ้าถูกนิวรณ์ห้าครอะหําแล้วมันไม่รู้ตามความเป็นจริงยังในข้อแรกที่บอกว่า ที่คนเรามีความกามะันทะคือพอใจในกามก็คือพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคนก็ตกอยู่ในความรักอ่าท่านเปรียบไว้เหมือนกับน้ําที่เจียด้วยสีต่างๆไอ้น้ําทีแรกเราเอาน้ำฝนใส่ไปดูมันก็ใสเอาอะไรใส่ไปในนั้นเรามองเห็นหมดอ่า mm hmm. เหรียญห้าเหรียญบาทนี่เราอ่านมองเห็นหมดเพราะน้ํามันใสแต่พอเราเอาสีแดงสีเหลืองสีเขียวใส่ผสมลงไปเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเลยน้ํามันขุ่นหมูเหมือนกัน อความที่เราพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเนี่ยมันเหมือนกับว่าน้ำที่เจือด้วยสีต่างๆนะสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีดำเละทำให้มันเราในีขุนมัวใจขุนมัวตาขุนมัวสมองขุนมัวไม่รู้ดีรู้ชั่วนะฉะนั้นบางคนที่ตกอยู่ในอำนาจของความรักนี้จึงมักจะก่อคดีต่างๆก่อคดีต่างๆบางครั้งก็ ถึงกับการสหัดประหารกันก็มีนะถึงการประหารกันถึงการจุดฆาตนาจาริกันก็มีนะอันนี้แหละฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าหากว่านิวรธาย่างครอบงำเราอยู่เมื่อไร่แน่นอนที่สุดเราก็จะต้องทําความชั่วอยู่เสมอแต่แต่ว่าจะน้อยหรือมากเท่านั้นแหละหรือยังในข้อที่สองที่ว่าพยาบาทนะคนวอมีความพยาบาทความโทโสโมโหโกธาท่านเปรียบเหมือนกับ น้ำที่กำลังเดือดไอ้น้าที่กาลังเดือดพล่านเนี่ยเราเอาอะไรใส่ไปมันมองไม่เห็นเพราะไอ้ความเดือดของน้ำมันขึ้นปุ ด, ปดๆๆๆๆๆๆเนี่ยเรามองไม่เห็นวัตถุที่ใส่ลงไปทั้ง น, นะก็ถ้าว่าเรานั้นไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วนะคนเวลาโทรศัท์เกิดตัวนี้ไม่รู้ดีไม่รู้ชัว่วเหมือนกับน้ำที่กำลังเดือดนะมันร้อนมากเลยนะนั้นจึงทำอะไรไปตามอาเภอใจพูดอะไรไปตามอาเภอใจ อคิดอะไรไปตามอำเภอใจอยากจะด่าจะว่าใครจะตีจะโชคต่อยใครจะฆ่าใครก็ทําตามอำเภอใจนี่แหละเป็นเพราะว่าอถูกอําถูกพยาบาทครอบงำนะถูกพยาบาทครอบงาก็เหมือนกับน้ําที่กําลังเดือดอ่ะยังไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วอ่ะน้ําที่มันกําลังเดือดถ้ามันกระเซ็นไปถูกใครเข้ามันก็ทําให้ผุพองให้คนที่ถูกอโทสะอครอบงําจิตใจอหรือพยาบาทครอบงําจิตใจความโกรธครอบงําจิตใจ แน่นอนที่สุดมันก็ใครอยู่ใกล้มันก็ไปกระทบกระท่านคนนั้นก็ทําให้คนนั้นเดือดร้อนได้ถึงที่สุดก็คือทําให้เสียชีวิตก็ได้นี่เหตุการที่สามคนที่ถูกถีนะมิทธะครอบนําคือความห่วงเหงาเหานอนท่านเปรียบเหมือนกับว่าน้ําที่เต็มไปด้วยจอกแหน่ไอ้น้ําที่มีจอกแหนน่นะเราจะอะไรเขี้ยงลงไปในะเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นเลย เพราะไอ้แหนมันปิดผิวนว้ำเลยสิจอกมันปิดผิวนว้ำเลยสิคนเราก็ตกอยู่ในความง่วงเหงาเหานอนอ่ามีจิตสลดโทถูแล้วก็ไม่รับรู้นะไม่รับดีไม่รับชั่วอะไรทั้งนั้นใครจะพูดอะไรจะให้อะไรนี่ไม่สนใจนะไม่สนใจทั้งนั้นขออย่างเดียวคือขอให้ได้นอนอืนะขอให้ได้นอนแต่ท่านคนบางว่วงนอนแล้วก็ขอประธานโทษแต่เก็บอกว่าจะพูดอะไรจะให้อะไรมันไม่รับรู้เหมือนกับเราไปตักน้ํารถ ต่อต้นไม้นะมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะมันไม่รับเข้าทางนั้นนะปิดหมดนะตาหูจมูกลิ้นตายใจนี่ปิดหมดเลยทวารไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นนะไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเนะฉนั้นจึงบอกว่าคนถ้าถูกนิวรหา้าครอบงำแล้วก็ย่อมจะไม่รู้ดีรู้ชั่วนะประการที่สี่อุทธจักกุกุ จ, จะคือความฟุ่นสร้างลำคาญใจ คนต้อมีความฟุ้งซ่านลำคาญใจท่านเปรียบเหมือนกับน้ำทะเลที่กำลังเป็นคลื่นน้าทะเลที่เป็นคลื่นจริงๆแล้วนะ่ะไอ้น้ำทะเลที่เป็นคลื่น เ, นเราดูแล้วสวยงามดูแล้วสวยงามมากท่านบอกว่าทะเลงามยามเห็นต้องเป็นคลื่นชีวิตจะราบเรื่อนต้องมีอุปสรรคต้องมีอุปสรรคแต่คนเราถ้าหากว่ามีคลื่นหัวใจมากเราก็รู้สึกว่าก็มี มีอุปสรรคมากมีทุกข์มากนะมีทุกข์มากมันไม่เหมือนกับทะเล ม, ม, มันมันมันีคลื่นมากพอเราดูแลวสวยงามแต่คลื่นทะเลมากนี้มันเป็นภัยกับพวกชาวชาวประมงหรือชาวเรือนะชาวเรือคนเราเหมือนกันถ้ามีคลื่นหัวใจมากก็เป็นภัยกับชีวิตตัวเองนะเป็นภัยกับการดําเนินชีวิตของตัวเองฉะนั้นจะบอกว่าให้จิตใจที่มีความฟุ้งซ่านนะไม่สงบนะไม่สงบ มีความกวนกวายอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเขาเรียกว่าเหมือนกับน้ําทะเลที่เป็นคลื่นะประการสุดท้ายคือประการที่ห้าวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยคนเราถ้าหากว่าถูกความลังเลสงสัยด้วยตัววิจิกิจฉาครอบงาก็เหมือนกับน้ําทะเลที่เต็มไปได้วยโคลนตม้มนเะต็มไปได้วยโคลนตม้น้ําที่เต็มไปได้วยโคลนต้มนี่มันมืดหมดนะไอโคลนตมมันปิดมันบงังไม่รู้ดีไม่รู้ชั่ว เราจะเอาอะไรใส่ลงไปเอาเหรียญเอาสตังอะไรวัตถุอะไรใส่ลงไปในเราไม่รู้เรามองไม่เห็นฉะนั้นคนที่มีวิจิตริจฉาครอบงำก็คือมองไม่เห็นดีไม่เห็นชัว่วฉะนั้นจึงทําอะไรไปทางอําเภอร์ใจอําเภอรใจฉะนั้นที่พูดมานี้ก็เพื่อเป็นการชักชวนให้ผู้ฟังทั้งหลายว่ามาพากันเจริญสมาธิเถิดถ้าหากว่าเจริญสมาธิได้าถึงที่ถึงขั้นแล้วถึงที่สุดแล้วแน่นอนที่สุด เราจะมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบเพราะว่า ส, สมาธินี้ปราบปราบได้กว่าความโลภกว่าความโกรธกว่าความหลงได้นะปราบได้หมดนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ไม่พากันเจริญสมาธิแน่นอนที่สุดเราก็จะต้องมีความโลภความโกรธความหลงยังมากอยู่นะยังมากอยู่ฉะนั้นอันนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายที่อาจามาได้พูดเกี่ยวกับเรื่องอ กิเลสสามนะตั้งแต่อคุศลลมูลนะคือคนมีความโลภความโกรธความหลงอันนี้ถือว่าเป็นเป็นกิเลสที่เราควรละไม่ควรประพฤติไม่ควรปฏิบัตินะไม่ควรปฏิบัติเพราะว่าสิ่งนี้ถ้าเกิดขึ้นในจิตใจของเรามันก็เบียดเบียนใจของเรามันก็เผาจิตใจของเราทําให้เรานั a นเกิดความกระวนกระวายเกิดความร้อนรนเกิดความลินรนเกิดความหิวเกิดความกระหาย อยากทาอะไรตามอําเภอใจนะฉะนั้นเราก็จะต้องประพฤติกุศลละโมนก็คือรากเหง้าของความดีนะเอามาปราบปราบรากเหง้าของความชั่วนะปราบรากเหง้าของความชั่วก็คืออโลภะความไม่โลภอโทสะความไม่คิดประทุสร้ายอโมหะก็คือความไม่หลงนะเมื่อเราทําอย่างนี้ได้แน่นอนที่สุดก็จะทําให้เรานั้นพ้นจากการกระทําความชั่ว ทางกายทางวาจาและทางใจได้นะแต่เราจะพ้นได้โดยงานเด็ดขาดนั้นก็ขอให้เรานั้นได้พยายามมีสติปัญญานะมีสติปัญญาหรือว่าเจริญสมาธิภาวนาถ้าเราทำถึงขั้นนี้ขั้นนี้ได้เราก็จะมีแต่ความสุขนะมีแต่ความเจริญฉะนั้นที่อัตมาได้บรรยายมาเกี่ยวกับเรื่องกุศลลมูลรากเหง้าแห่งความชั่วก็ดีกุศลมูลรากเหง้าของความนี้ก็ดี ก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพร